เพื่อให้รู้จักกรรมประเภทที่4คือกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมชัดเจนขึ้นด้วยการบรรยายสั้นๆจึงขอสรุปลักษณะทั่วไปของกรรมที่ทำให้สิ้นกรรมไว้ดังนี้ก่อเป็นทางดับกรรมหรือข้อปฏิบัติที่นำไปสู่ความดับกรรมที่เรียกว่ากรรมะนิโรธคามินีปฏิปทา และพร้อมกันนั้นก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งเองด้วยในตัวข้อข อ, ขอมีชื่อเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมข้อข อ, ขอเป็นกรรมที่เกิดจากอโลภะอโทสะอโมหะจึงทำให้ไม่มีการทำความชั่วใดๆเลยอย่างเป็นไปเองตามธรรมดาของมัน เพราะไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้ทำความชั่วข้องเป็นการกระทำที่ประกอบด้วยปัญญาทำด้วยความรู้เข้าใจมองเห็นคุณโทษเป็นต้นตามสภาพจึงเป็นการกระทำที่ดีงามส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขสมตามเหตุผลข้อจอเป็นการกระทำในทางที่ดีงามเกื้อกูลอย่างเข้มแข็งจริงจัง หรือเต็มที่เพราะความเพียรสติและปัญญาออกมาทำหน้าที่หนุนและนำการกระทำได้โดยตรงเนื่องจากไม่ถูกตันหาชักพาไปในทางเบียดเบียนผู้อื่นด้วยความเห็นแก่ตนหรือหน่วงเหนียวขัดทวงไม่ให้กระทำเพราะความห่วงหาติดพันในความสุขสำราญของตนก็อชอเป็นกุศลกรรมคือกรรมที่เป็นกุศลในระดับที่เรียกว่าเป็นโลกุตระกุศล อธิกถาว่าเป็นมรรคเจตนาหรือมรรคยานจึงเรียกว่าเป็นกรรมที่ทำให้สิ้นกรรมเพราะไม่เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมคือไม่ทำให้มีการก่อกรรมหรือการก่อตัวของกรรมข้อชอว่าโดยหลักธรรมและองธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติได้แก่มรรคมีองแป8ที่เป็นทางนำไปสู่ความดับทุกเรียกว่า เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาคืออริยสัจข้อที่4นั่นเองแต่อาจมาในชื่ออื่นๆเช่นเป็นโพชฌงเจดไตรสิกขาเป็นต้นแล้วแต่กรณีของการปฏิบัติหรืออาจเรียกเป็นกลางๆว่าเจตนาเพื่อละก ร, รมสามอย่างแรกสำหรับข้อจอขอตั้งข้อสังเกตว่าคนจำนวนมากมีความเข้าใจผิดว่าตัณหาคือความอยาก เป็นแรงจูงใจให้คนกระทำการต่างๆยิ่งมีตันหามากก็จะยิ่งกระทำด้วยความกระตือรือร้อนแข็งขันมากถ้าไม่มีตันหาก็ไม่มีแรงจูงใจให้กระทำก็จะหยุดนิ่งอยู่เฉยอาจกลายเป็นคนเกียดคร้านความเข้าใจอย่างนี้เป็นการมองธรรมชาติของมนุษย์ไม่ทั่วตลอดเมื่อนำมาใช้ในทางปฏิบัติอาจทาให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรง ทั้งต่อชีวิตของบุคคลต่อสังคมและต่อธรรมชาติแวดล้อมความจริงตันหาเป็นทั้งแรงจูงใจให้กระทําและแรงจูงใจให้ไม่กระทําตันหาจะเป็นแรงจูงใจให้กระทําในกรณีที่จะสแสวงหาสิ่งเสพปลนเปลตนเอามาสนองความเห็นแก่ตัวการกระทําในกรณีนี้มักเป็นไปในทางเบียดเบียนหรือขัดแย้งแย่งชิงกันระหว่างมนุษย์ หรือเป็นการได้มาเพื่อตนแต่เป็นผลเสียหายเดือดร้อนแก่สังคมหรือชีวิตอื่นแต่ในกรณีที่ควรจะทำการบางอย่างเพื่อความดีงามหรือเพื่อประโยชน์สุขของชีวิตและสังคมโดยไม่มีสิ่งเสพปนเปือตนตันหาจะเป็นแรงจูงใจให้ไม่กระทำเพราะตันหาทำให้ติดพันเป็นห่วงต่อการเสพสุขหรือความสาราญปนเปรอที่มีอยู่ในเวลานั้น อย่างน้อยแม้แต่ความสุขในการนอนและความเพลิดเพลินในการปล่อยตัวอยู่เรื่อยๆจะเป็นเครื่องน่วงเหนียวหรือขัดถ่วงให้ไม่สามารถก้าวออกไปทำการต่างๆที่ควรกระทำตัณหาในกรณีนี้จึงเป็นตัวเหตุของความเกียดคร้านยิ่งถ้ามีอวิชชาแรงมากคือไม่รู้ไม่เข้าใจคุณค่าของการกระทำนั้นๆว่าจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ที่แท้จริงอย่างไร ตันหาก็จะหนุนให้มีความเป็นอยู่อย่างนิ่งเฉยเฉืย ช, ชาโดยในยะนี้ตันหาจึงเป็นแรงจูงใจชักพาให้กระทำในทางเบียดเบียนหรือไม่ก็ให้ไม่กระทำโดยซึมเศร้าอยู่ในความเกียดคร้านเฉื่อยชาสุดแต่ว่าการเสพหรือความติดในความเพลิดเพลินปรนเปลอจะได้รับการสนองด้วยวิธีใดการกระทาที่เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและประโยชน์สุขที่แท้จริง เป็นเรื่องต่างหากจากการได้เสพหรือติดในความเพลิดเพลินปลนเปลอและในหลายกรณีทําให้ต้องสละการเสพสําราญหรือการติดเพลินด้วยซ้ํานอกจากในกรณีของการสร้างเงื่อนไขแล้วการกระทําเช่นนี้จึงไม่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยตัณหาแต่จะเกิดขึ้นได้ด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจมองเห็นคุณค่าหรือประโยชน์ที่แท้จริงของการกระทํานั้นแล้วเกิดความพอใจที่จะกระทําขึ้น ความพอใจหรือความอยากจะทำที่เกิดขึ้นตามวิธีทางนี้เรียกว่าฉันทะซึ่งเรียกเต็มว่ากุศลนะฉันทะหรือธรรมฉันทะฉันทะนี้เป็นแรงจูงใจตัวแท้ตัวจริงในการกระทําที่ส่งเสริมคุณภาพของชีวิตและประโยชน์สุขที่แท้จริงแต่การกระทําด้วยฉันทะนั้นอาจถูกต่อต้านน่วงเหนียว หรือขัดขวางโดยตันหาที่ติดเพลินในความเกียดร้านเฉื่อยชาหรือห่วงสิ่งเสพปรนเปลอตนในรูปแบบต่างๆในกรณีเช่นนี้ตันหาก็จะทำให้เกิดความทุกข์เพราะต้องทำการด้วยความบีบคั้นฝืนใจแต่ถ้าปัญญาที่รู้เข้าใจมองเห็นคุณค่านั้นแจ่มชัดมากและฉันทะมีกำลังมากพอจนพ้นจากแรงหน่วงเหนียวขัด่วงของตัหาฉันทะ นอกจากเป็นแรงจูงใจในการกระทำแล้วก็จะกลายเป็นปัใจจัยให้เกิดความสุขด้วยแต่เป็นความสุขอย่างใหม่ที่ปลอดโปรง่งกว้างขวา ง, วางไม่คับแคบขุ่นมัวอย่างความสุขจากตัณหาทำให้บุคคลกระทำงานสร้างสรรค์ด้วยจิตใจที่เป็นสุขหรือเป็นอิสระไรทุกในกรณีเช่นนี้ก็จะเกิดสมาธิในการกระทำโดยมีความเพียรสติและปัญญา ออกมาทําหน้าที่คอยหนุนและนําการกระทํานั้นโดยตรงและเต็มที่การกระทําอย่างนี้นี่แหละเป็นกรรมในแนวทางที่เรียกว่ากรรมที่ทําให้สิ้นกรรมกระบวนการแห่งกรรมที่ทําให้สิ้นกรรมนั้นมีสาระสําคัญที่อาจพูดให้เข้าใจอย่างง่ายๆว่าเมื่อทําการอย่างใดอย่างหนึ่งตามแนวปฏิบัติของมัสมีองแปดหรือพ่อจงเจ็หรือทําในชื่ออื่นๆแล้วแต่กรณี ซึ่งมีปัญญาที่รู้เข้าใจคุณค่าและสภาวะที่แท้จริงเป็นเครื่องชี้นำตันหาก็จะถูกลบหายไปเพราะไม่มีช่องที่จะเข้ามาแสดงบทบาททาหน้าที่โลภโทสะโมหะก็ไม่ปรากฏขึ้นเมื่อไม่มีตันหาเมื่อปราศจากโลภโทสะโมหะก็ไม่เกิดกรรมที่จะก่อผลต่อเนื่องผูกมัดชีวิตจิตใจเมื่อไม่มีกรรมก่อผลผูกมัด ก็เป็นภาวะอิสระโปร่งใจไร้ทุกข์ชีวิตที่เคยเป็นอยู่อย่างท่ารับใช้ที่คอยทำการตามคำบงการของตัณหาก็เปลี่ยนมาสู่ความมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาที่ทำให้เป็นนายของการกระทำอย่างเป็นไทยแก่ตน